ทวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะรายการสันสนีสนทนาเราก็มาเริ่มต้นกันอีกเช่นเคยนะคะเช้าตรูนำเอาธรรมะที่พระาศาสดาได้ฝากเอาไว้ให้พวกเราเพื่อที่หวังว่าเราทั้งหลายจะได้มีความทุกข์กันน้อยลงน้อยลงแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นพุทโทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะคะดิฉันสันสนีนาคพง์จะมาดาเนินรายการกับพระมหาเพรบุรอภิปุณโณ เพื่ออำนวยความสะดวกเร่นวัดป่าดอนหายโศกเฉพาะวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอีกวันหนึง่งที่ท่านมีโอกาสจะได้รับ MP3 ถ้าท่านอยากได้บันทึกเสียงรายการนี้เราจะแจ้งให้ทราบในรายการนะคะว่าจะต้องทําอย่างไรตอนนี้เราเตรียมตัวที่จะปฏิบัติธรรมโดยการนําของท่านพไบบูลเมื่อได้ไปพบท่านในนาทีต่ตอไปนี้เลยค่ะ นมาสการท่านคะเดิมบอลเรามาเริ่มการปฏิบัติด้วยกันให้มาระลึกถึงในกายของเราเรียกว่าการเจริญกายาคตาสติคือการที่มีสติระลึกไปในกายกายาคตาสตินี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอ น, นิสงส์งไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะทําให้รู้อริยสัจสี่ให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแต่งตลอดซึ่งธาตุเป็นอเองวิธีการที่เราจะตั้งสติเอาไว้ในกาย ไม่ให้สติของเรานั้นหลุดนอกกรอบขอบเขตของผิวหนังของเราให้จิตของเราเนี่ยอยู่ในกรอบขอบเขตของผิวหนังนะไม่ไปคิดนึกในเรื่องอื่นเนี่ยเริ่มต้นด้วยการที่ เ, เรามาเริ่มที่ลมหายใจก็ได้นะลมหายใจนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกายหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นาธาตุลมอยู่ใ น, ในกายของเราแทนที่จะให้จิตของเราไปคิดนึกเรื่องอื่นให้จิตของเรามาเริ่มต้นที่ลมหายใจนี้ พิจารณาลงมาตั้งแต่ส่วนบนของร่างกายที่สุดนั่นคือปลายผมนะเส้นผมส่วนที่อยู่บนศีรษะของเราปลายของมันเนี่ยไล่ลงมานตะ่ว่าผมนะาในผมนั่นก็คือจริงๆแล้วเป็นเศษสารของเสียที่ร่างกายมันขับออกมานะใต้ผมที่มันผมปกกลุมอยู่นั่นก็เป็นหนังนหะนังนี้ ในจริงๆมันก็จะมีผิวหุ้มอยู่ผิวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่เป็นเนื้อเยื่อบางๆประมาณแค่หนึมเมตรในเวลาคนที่เขาจะแต่งหน้าทาแป้งทาปากอะไรเนี่ยก็จะท า, านบนผิวถ้าเราลอกผิวออกซึ่งเป็นเนื้อเยื่อแค่ประมาณไม่ถึง1มเมตรดีเนี่ยลอกออกปุ๊บก็จะเหลือแต่หน้าสดๆนะหน้าดิบๆเดิมๆสดๆไม่ได้แต่งเป็นยังไงแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าลอกผิวออกในะต้ผิวลงไปก็จะเป็นหนัง หนังนี่ของแต่ละคนก็จะสีไม่เหมือนกันบางคนจะสีเข้มบ้างบางคนจะสีอ่อนบ้างคนยุโรปกว่าขาวหน่อยคนแอฟริกากว่าดำหน่อยหนังนี่ก็จะเป็นตัวที่ปกป้องไม่ให้เชื้อโรคน้ำสิ่งอะไรที่มันจะทำให้ร่างกายติดเชื้อนั้นเข้าไปได้ถ้ามีผงมีแผลในเชื้อโรคเข้าไปอันนี้ก็มีปัญหาในแผ ล, แลก็คือการที่หนังนี่มันปรีออกแตกออกใต้หนังลงไปถ้าเราลอกหนังออก ไหนจะเป็นคนดําคนขาวก็จะเหลือเนื้อแดงๆเหมือนกันเหมือนกันหมดจะเป็นคนยุโรปคนแอฟริกาคนเอเชียนะลอกหนังออกเนี่ยก็จะเห็นเนื้อสดๆดแดงแดงไหนเนื้อนี้ก็คือกล้ามเนื้อนั่นเองมีเลือดมาหล่อเลี้ยงไหมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวตามรูปแบบของกล้ามเนื้อแต่ละส่วนที่มันขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้มีเนื้อมีเลือดมาหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ย ก็แปลว่าในร่างกายนี้มีระบบพว ก, กระบบเครื่องในนจะเป็นปอดตับหัวใจนั่นหอเลี้ยงให้กล้ามเนื้อพวกนี้มันอยู่ได้ถ้าเราเอาพวกเครื่องในออกเอาพวกไอเจ้าเนื้อเยื่อในกล้ามเนื้อพวกนี้ออกน่นคือใต้เนื้อลงไปเนี่ยก็จะเป็นกระดูกในกระดูกก็จะเป็นสีขาวขาวในกระดูกจะเป็นสีขาวขาวเป็นโครงตั้งขึ้นเอาไว้ผูกกันเอาไว้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าเอ็น เส้นเอ็นนี่ก็จะมารัดรึงเจ้ากระดูกเหล่านี้เข้าด้วยกันแต่เป็นโครงขึ้นมานั่นก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราสร้างบ้านเนี่ยเขาจะเอาเหล็กมาผูกกันด้วยเครื่องผูกเหล็กเป็นโครงขึ้นมาแล้วก็เอาปูนซีเมนเนี่ยหล่อเข้าไปรอเสร็จแล้วก็หุ้มไว้ด้วยฉาบ ป, ปูนบ้างหรือว่าวอลเปเปอร์บ้างทาสีบ้างดูให้มันสวยแต่จริงๆข้างในมันเป็นโครงด้วยโครงเหล็กมีปูนหุ้มอยู่ ร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันนะเจ้ากระดูกเนี้ยเป็นโครงตั้งเอาไว้ถูกห่อหุ้มอยู่ด้วยเนื้อและเลือดนะมีไอเจ้าเส้นเอ็นเป็นเครื่องรึงรัดมีเนื้อและเลือดฉาบท า, าไว้หุ้มอยู่ทีด้วยหนังนะทับอยู่ทีด้วยผิวมีขนปกคลุมบ้างบางส่วนบางที่นะทําให้เรามีความสุขความทุกข์ธรรมชาติของกายเนี้ยเป็นอย่างนี้นะเราพิจารณากายให้เห็นตามที่เป็นจริงในลักษณะนี้ คือไม่ใช่เห็นว่ามันสวยงามไม่ได้เห็นว่ามันเจ็บป่วยหรือมีความสุขอย่างไรแต่ให้เห็นตามที่มันเป็นในลักษณะเนี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการที่พิจารณาเห็นกายในกายเป็นผู้ที่มีกายากตาสติคือมีสติเอาไว้ในกายการที่เราพิจารณาอยู่อย่างนี้เรื่อยๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือสติและสตินี้จะเป็นกําลังที่ให้จิตของเราตั้งขึ้นเวลาที่มีอะไรมากระทบปุ้ม จิต ท, ที่มีสติมีกําลังตรงนี้อยู่สามารถที่จะไม่ไปเกลือกกลัว้วกําหนัดยินดีในสิ่งที่เป็นภาษาที่น่าพอใจนั้นไม่ไปเกลือกล้วนในลักษณะที่ทําไม่เกิดความขยะแขยงเกลียดจังไม่พอใจในภาษาอันเป็นที่ตั้งอีกความไม่น่าพอใจนั้นนะจิตแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นจิต ท, ที่เหนือแล้วพ้นแล้วเหนือ น, นั้นก็คือในลักษณะของโล ก, กุตรนะคือเหนือจากการควบคุมของโลกถ้ายังเป็นอยู่ในโลกอยู่ก็เรียกว่าโลกียะ พ้นนีน่ก็คือวิมุตต์วิมุตต์แปลวล่าพ้นพ้นจากการควบคุมของเจ้าภาษาต่ตางๆเราฝึกตั้งสติของเราอยู่อย่างเงี้ยเรื่อยๆาสามารถทําได้ตลอดทั้งวันลืมตาหลับตาเดินทางอยู่เฉยๆหรือคุยกับใครหรืออยู่นิ่งๆก็สามารถเจริญสตินี้ได้เหมือนกันเจริญบ้านสาธุค่ะนั่นคือการเห็นกายในกายนะครอันนั้นเป็นหนึ่งในหลายๆนิยต์ที่ให้เกิดการเห็นกายในกายได้ เพราะว่าเราได้ยินบางท่านที่เป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยนะคะก็จะยกตัวอย่างการเห็นกายในกายที่แตกต่างจากที่ท่านได้กล่าวไปแล้วใช่ใช่จะเป็นธาตุสี่ก็ได้ธาตุสีดินน้ำไฟลมบางคนจะเห็นเวทนาในกายก็ได้บางคนจะเห็นกายนี้โดยความเป็นของน่าเกลียดก็ได้ของไม่สวยงาม ค่ะท่านคะในการจะเห็นลักษณะสมมติเห็นความไม่งามของกายอย่างเงี้ยนะคะ huh huh. ที่ท่านได้กล่าวไปเนี่ยเป็นการที่พอเราทาสมาธิได้ในระดับหนึ่งจะเกิดการเห็นขึ้นเองหรือว่าเราต้องน้อมจิตเข้าไปเห็นคะคือคือได้ทั้งสองอย่างคือบางคนเนี่ยน้อมจิตเข้าไปเห็นคือคิดเอาอะไรว่างั้นเถอะนะ <HA> คือคือใช้สมองคิดเอาในการที่ใช้สมองคิดเอาเองเนี่ยบางคนก็จะใช้คาว่าวิปัสสนึกนี่แหละนะก็คือ <HA> นิดเอาน <c oughs> อั้นแหละเออ ก็ค <n uk> ิดนึกเอาแต่พอเราทํามากๆแล้วมันจะกลายเป็นอัตโนมัติมันจะกลายเป็นแบบเป็นญาณขึ้นมานะเป็นเป็นแบบธรรมชาตินะคือวิปัสสนึกหรือว่าที่เราแบบว่าคิดนึกเอาอย่างเงี้ยมันอาจะยังไม่ทําให้เกิดการปล่อยวางอันนี้ก็ใช่อยู่เพราะอะไรเพราะว่าสมาธิมันยังไม่เต็มที่ในสมาธิมันยังไม่เต็มที่มีแต่คิดคิดไปเนี่ยบางทีมันก็จะเหมือนกับไม่ได้ผลอะไรก็ทำไปงั้นงัน้แต่ว่ามันก็จะมีประโยชน์ในการที่เราได้ตั้งสติขึ้นแต่สมาธิมันยังไม่เกิด น, นั่นีอคืออันที่หนึ่งหรืออย่างที่คุณโยมติ๋วบอกว่า อ, อยู่ๆมันก็อาจจะเกิดขึ้นเองได้เหมือนกันนัได้เหมือนกันทํนะไนนาไมตอนไหนเพราะบางคนอสมาก็เคยได้ยินเขาเล่านะนั่งสมาร์ที่อยู่ดีจิตนิ่งๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เหมือนกับมีกระดูกเห็นเป็นนิมิตขึ้นมานะเป็นนิมิตขึ้นมาว่า <c oughs> เป็นกระดูกของชั้นเนี่ยแบบมันมาตั้งก า, สากสร้างอยู่หรือเห็นตัวเองแล้วก็ค่อยเนื้อเนื้ อ, เ, อ, เ, อเปื่อยย่นลงเหี่ยวลง <c oughs> ผุไปพังไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นนิมิตนะเกิดขึ้นได้ จากการที่จิตเป็นสมาธิแล้วนะจิตเป็นสมาธิแล้วมีความรู้นี้เกิดขึ้นเนี่ยตรงนี้คือความรู้คือญาณที่เกิดขึ้นนะเป็นนิมิตให้เห็นถึงความไม่เที่ยงในกายอันนี้จะเกิดขึ้นภายหลังก็ได้แล้วนะแต่ ค, คนต่างกันไปอันนี้ท่านใช้คําว่านิมิตใช่เมื่อวานนี้เราพูดถึงอาการต่างๆที่เกิดขึ้นท่านใช้คําว่าสังขารเหมือนกันไหมคะคําว่าสังขารเนี่ยมั น, มน จะมีความหมายกว้างก็ได้นะหรือแคบก็ได้นะเช่นถ้าพระพุทธเจ้าใช้คำสังคตธรรมโห่นี่คือครอบกลุ่มหมดเลยทั้งมรรคแทั้งขันห้าทั้งตันหาก็จะครอบอยู่ในสังคตธรรมนี้หมดแล้วก็จะบอกว่า อ, อ๋อในสังคตธรรมเนี่ยมรรคแปดนี่เลิศที่สุดอย่ น, นะหรือถ้าเราจะเฉพาะเจาะจงมาสังขารบางทีก็จะหมายถึงเฉพาะกายอย่างเดียวนะสังขารคือกายนี้นะ แต่จริงๆแล้วสังขารจะใช้ในความหมายที่จะกว้างหรือแคบอยู่ที่บริบทในการ ừ, พูดตรงนั้นพระบรมเจ้าก็จะใช้หลายอย่างอท่านคอมชิงท่านแปลให้ด้วยเมื่อวานเนี่ยท่านใช้คําว่าปรุงแต่งใช่ใช่สังกายนการปรุงแต่งค่ะอะก็เท่าบอกว่าสมมุติว่าที่บอกว่านั่งแล้วเห็นเหมือนเป็นโครงกระดูกหรือเหมือนร่างกายของเรามค่อยๆ เ ป, เปลยยู่ย <โล S 1> ไป อ, อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นนิดิตที่เป็นการปรุงแต่งทางจิตยอย่างหนึ่งถูกต้องถูกต้องเป็นการปรุงแต่งทางจิตอย่างหนึ่งเป็นเครื่องใหเรามารู้ได้เป็นการปรุงแต่งแน่นอนใช่แต่ไม่ใช่ว่าเป็นการที่เราเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าถ้าสมมุติจะเป็นความก้าวหน้าของการทาสมาธิเจริญสติเราจะต้องมีอาการทางจิตแบบนี้เราก็เลย คืออย่างนี้เอาใหม่การปรุงแต่งเนี่ยคือหลายๆคนอนาจจะม่เข้าใจอยู่จะไปจะไปเข้าใจ associated คำว่าปรุงแต่งเนี่ยไปกับความหมายที่ไม่ดีใช่แตนะ่เช่นว่าเออคุณคิดปรุงแต่งไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะพวกปรุงแต่งมากอย่างเงี้ยเขจะใช้ความหมายในในยาที่แบบเป็นลบไงแต่จริงๆแล้วคํำนี้เป็นคําทั่วๆไปคําศัพท์คำนี้นะการปรุงแต่งเนี่ยเป็นคําทั่วๆไปแล้วนทะําไมพระพุทธเจ้าถึงจะบอกว่าในยอด ในสังกตธรรมการปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยมักแปดนี่เป็นยอดที่สุดอมักแปดก็อยู่ในสังกตธรรมเพราะฉะนั้นไอการปรุงแต่งไม่ใช่จะไปเหมารวมหมดว่ามันไม่ดีคุณคุณจใช้อ่างนนไม่ได้ แ, แต่การปรุงแต่งถ้าปรุงแต่งไปอันเป็นเหตุจากตัณหาเป็นเหตุจากตัณหาอาวิชชานะใช่ไหมแบบถ้าเรามีตัณหามีอวิชชาอยู่ใช่ไหมการคิดนึกปรุงแต่งมันก็จะเป็นไปในทางเบียดเบียนเขาอะเป็นไปในทางที่จะเกิดความฟุ้งซ่านนิวรณเกิดพวกนี้การปรุงแต่งอันมีเหตุ ของเจ้าตัญหานี่มันไม่ดีแต่ถ้ามีการปรุงแต่งของมักแปดนเป็นผลของมักแปปรุงแต่งไปในทางไหนอะเช่นว่าถ้าเราจะคิดเราก็คิดเอื้อเฟือกันเอาสมมุติว่าคุณยมติ๋วมีเพื่อนอะฉันจะซื้อของไปฝากเพื่อนไอ้การที่เราคิดนึกปรุงแต่งว่าฉันจะซื้อของไปฝากเพื่อนเนี่ยเป็นการให้ทานเป็นการสงเคราะห์กันด้วยสิ่งของทําไมจะไม่ดีเหนือาบาเพราะว่าเป็นเรื่องของมักมเป็นเรื่องของมักระเด็นชุดนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลย <C> e <an> เพราะว่าเอ้เจ้าสังขารการปรุงแต่งเนี่ยที่บอกว่าขันห้าเนี่ยนะมันเป็นที่เกิดของตนาก็ได้เป็นที่เกิดของมักแปะก็ได้ไงนัเราจรึงต้องแยกแย่กันให้ถูกว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไรกันแน่สังการตรงนี้นะค่ะงั้นเดี๋ยวฉันขอสรุปเพื่อทําความเข้าใจว่าถูกต้องหรือยังนะคะในตัวอย่างที่ได้ยกขึ้นไปเรียนถามท่านว่านั่งสมาธิแล้วเกิดเห็นตัวเองเปื่อยยุ่ยอย่างนั้นเป็นการปรุงแต่งหรือไม่ ท่านก็บอกว่าใช่แล้วต้องเข้าใจให้ถูกว่าปรุงแต่งมีสองอย่างดังนั้นปรุงแต่งอย่างที่ว่าเนี้เป็นไปเพื่อจะทําให้เราเบื่อหน่ายคลายกำ ล, กลังถูกต้องเป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อ น, นิพพานให้เกิดความหน่ายคลายกํำลัดนั่นเองรปรุงแต่งแบบนี้นะเป็นนิมิตให้เรามาเห็นเอาทำไมรเรานั่งสมาธิอยู่เฉ ย, ยๆแล้วแบบเกิดนิมิตเป็นการปรุงแต่งแบบนั้นขึ้นมาได้เพราะว่าจิตคุณมีสติจิตคุณมีสมาธิจิตคุณมีปัญญาพอมันพร้อมกันถึงจุดหนึ่งเนี่ยเพราะว่ามันมันเกิดขึ้นมาตรนี้ อ่าเป็นเรื่องให้เรารู้เราเห็นได้นะคะอ่าในภาษาทั่วท่วไปทางโลกเนี่ยสมมติว่าไม่ได้พูดถึงภาษาธรรมเลยพอพูดถึงความปรุงแต่งก็เหมือนกับว่าทําอะไรให้มันเกินจริงทําให้ละ<อ>นะคะเป็นความหมายทางลบไป เ, ออเล ย, เ, ลยเป็นความหมายทางลบอย่างเงี้ยค่ะเวลาอ่าสนทนากับผู้ปฏิบัติเราไปใช้ปนกันอันตรายมากอืมจะสับสนอ า, อาจจะเสียเพื่อนด้วยนะคะตัวตัวนี้แหละ ถ้าเรากลับมาที่ตัวแม่บทของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะค่อนข้างคมนะเพราะว่าสังขารการปรุงแต่งเนี่ยมันอยู่ในส่วนของของขันห้าไงซึ่งส่วนของขันห้าเนี่ยต้องให้ทําความเข้าใจต้องให้ทําความเข้าใจคือไม่ใช่ละขันห้านะไม่ใช่ละสังขารสังขารเนี่ยไม่ได้ให้ละแต่สังขารให้ทําความเข้าใจว่ามันเป็น<ช>ที่เกิดของตัณหาก็ได้แต่ถ้ามันเป็นที่เกิดของตัณหาตัณหานี้ต้องละสังขารคือการปรุงแต่งเป็นที่เกิดของ มักแปดก็ได้เอามักแปกต้องทําให้มากๆ <Okay. S 1> นะเหมือนเหมือนกับถ้าเราเปรียบขันห้าเนี่ยเป็นเหมือนกายของเรานะกายของเราเนี่ยเป็นที่รวมของทั้งเชื้อโรคเชื้อโรคมันจะเติบโตเนี่ยมันมันจะไปเติบโตได้ที่ไหนมันก็ต้องเติบโตในกายของเรา <Okay. S 1> พัฒนา evolving เปลี่ยนแปลงโครโมโซมมันก็อยู่ในกายของเรานะแต่ว่าเชื้อโรคมันไม่ดีไงเอา <Okay. S 1> แล้วถ้ายาล่ะยาที่จะมาใส่ให้เชื้อโรคหายหรือว่ายาบำรุงหรือยาอะไรก็ตามเนี่ย มันก็ต้องมาอยู่ในกายของเราจะไปที่อื่นมันก็ไม่ใช่เพราะฉะในกายของเราเนี่ยจึงมีรวมทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีอยู่ในกายเราหมดเช่นเดียวกันในขันห้าเจ้าความยึดถือจะไม่ยึดถือก็ยึดถือขันห้านี่แหละยึดถือตรงนี้อเจ้าความปล่อยวางจะปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางตรงขันห้านี่แหละดังนั้เนี่ยมันก็จึงมีทั้งมรรคแปดและตัณหาเนี่ยมารวมอยู่ในสังขารนี้ได้เราต้องแยกแยะให้เห็นค่ะท่านค่ะ แล้วมีไหมคะที่พระพุทธองได้ตรัสให้ความหมายเอาไว้เลยเฟังแล้วรู้เลยว่าเป็นความหมายชัดเจนของคำว่าสังขารค่ะสังขาร น, นี่ก็จะให้ความหมายไว้อยู่ในหลายที่นะถ้าอยู่ในหมวดของเรื่องขัน5้าเนี่ยท่านจะให้ความหมายไว้ว่าคือการปรุงแต่งกรนะิยาที่ปรุงแต่งได้มีอยู่ในสิ่งใดสิ่งนั้นเรียกว่าสังขาร อันนี้เป็นเดฟิเนชันเลยนะนี่เป็นพุทพจน์เลยนะ <Okay. S 1> ว่ากิริยาที่ปรุงแต่งได้มีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าสังขารนี่คือแบบขึ้นหัวมางอย่างนี้นะสังขาร <Okay. S 1> ได้แก่อะไรเล่าคือกิริยาที่ปรุงแต่งได้มีอยู่สิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นเรียกว่าสิ่งสังขารแล้วก็ขยายความต่อไปอย่อหน้าที่2บอกว่าปรุงแต่งอะไรเล่าคือปรุงแต่งรูปให้สําเร็จรูปโดยความเป็นรูป ปรุงแต่งเวทนาให้สําเร็จรูปโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาให้สําเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งวิญญาณให้สําเร็จรูปโดยความเป็นวิญญาณแล้วก็ปรุงแต่งสังขารให้สําเร็จรูปโดยความเป็นสังขารอันเนี้ยเรียกว่าสังขารทั้งหลายนี่คือเด i นิชันนะนี่นคือบัญญัติของพระพุทธเจ้าละไม่ไม่มีปรุงแต่งวิญญาณหรอคะมีมทั้ง5อย่างเลยไงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่นตั้ง5อย่างให้สําเร็จรูปโดยความเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นอย่างสมมติว่าคุณ <c oughs> สัสนสณีสมัยเด็กปเปลี่ยนแปลงแล้วนะมาเป็นคุณสรนสณีสมัยผู้ใหญ่อ้าวการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้สำเร็จรูปขึ้นมาจากสรนสณีเด็กเป็นสัสนสณีผู้ใหญ่อันนี่คือสังการเกิดขึ้นละ่ะหรือหรือเรากำลังมีโปรเจกต์แผนสักอันใดอันหนึ่งใช่ปะมีเฟสหนึอย่างนี้เป็นต้นเรามีเฟสหนึ่งเราก็ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้มันสำเร็จรูปโดยความเป็นเฟสสองอันนี้คือสังการ็ทํางานล่ะค่ะอย่างนี้นะ ไปมันก็มีการปรุงแต่งไปหมดอย่างคนที่คุณเป็นโสดาบันอคุณก็ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงมาจนคุณเป็นนาการมีอย่างเงี้ยอันนี้คือสังกายนะเ ข, เข้าทํางานเหมือนกันงั้นอในที่เนี้ยถ้าทิ่ฉันฟังจากพุทธพจน์เนี่ยนะคะอือคือถ้าสมมุติว่าพูดถึงเรื่องของเราไปปรุงแต่งโน่นปรุงแต่งนี่ก็คือมีเราเข้าไปทําแต่ว่าถ้าในกรณีนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าเป็นกริยา ที่ปรุงแต่งไปตามเหตุปัจจัยถูกไหมคะนี่แหละเนี่ยคือลักษณะการบัญญัติของรพระพุทธเจ้าจะจะคมมากไงคุณโยมเต๋วจะคุณจะไม่ปีมีทิฏฐิว่ามีตัวอะไรเป็นตัวอะไรเนี่ยแบบคุณจะคิดงานไม่ได้เลยเพราะมันมันเป็นมิจฉาทิ่ฐิไงนะคะอันนี้สำคัญมากดังนั้นจึงต้องให้ความาสนใจในรายละเอียดทุกค่อยคำพูดของท่านเลยอ๋อแน่นอนแน่นอนเพราะ อย่างเงี้ยคะทำให้เข้าใจมากขึ้นจริงๆนะคะวาโอ้คนเราปรุงแต่งเลยกับที่ถ้าเราไม่เคยสัมผัสกับคําสอนภาษาสดาแล้วเราจะเข้าใจไปอีกเรื่องหนึง่งอืมแตนะ่โดยยิ่งยิ่งที่บอกว่าเข้าใจว่าเป็นตัวเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ความหนะมายแรกคืว่าเป็นเป็นผู้คล้องนะคนจะไปยึดถือเนะี่ยยึดถือในสังขารนี่แหละนะี่จะไปคล้องอยู่ก็คล้องอยู่ในสังขารนี่แหละเพราะฉะนั้นการที่เราไปคล้องอยู่ในสังขารเนี่ย ก็จะเรียกว่าเป็นผู้คล่องอย่างเงี้ยไปโดนนะอันนี้ก็เป็นการบัญญัติศัพท์ในลักษณะครม่าผู้คล่องในซึ่ ง, ซ, งซึ่งเขาใช้ความหมายที่2องคือของคำวมว ส, สั ต, ตะว์สัตว์เนี่ยความหมายที่2คือผู้ที่ไปคล่องอยู่คล่องอยู่ในไหนในสังขารนี่แหละใน ค, คนที่เขามีความคิดนึกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา เ, เขาจะคิดแผนอยู่นั่นเแต่ฉันต้องไปทำอันนี้เดี๋ยวต่อไปแล้วก็ทำอันนั้นเนี่ยก็มีการสําเร็จรูปโดยสัญญาโดยความเป็นสัญญาอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเนี่ยเขาจะมีสังขารการปรุงแต่งอยู่ตลอด แล้วถ้าเขาแบบยึดถือว่าเนี่ยฉันเป็นคนครีเอทีฟอย่างเงี้ยเป็นต้นอาคุณยึดถือไอ้เจ้าสังขารโดยความเป็นตัวตนละการที่คุณไปคล้องอยู่ตรงเนี้ยคุณจะเรียกว่าสาัตว์อย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะนะคะก็ะค่อยๆทําความเข้าใจกันไปแต่ต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทําให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดิฉันเชื่อว่าจะจูงใจให้หลายคนนะคะอยากจะเข้าถึงบทพยัญชนะเลย เพราะว่าฟังเนี่ยก็อาจจะลอยไปใช่ไหมคะแต่ <S 1> <S 1> ถ้ามีโอกาสได้อ่านเนี่ยก็จะได้ไปช้าก็ไดยไปเร็วก็ได้เข้า <Day. S 2> ใ, ใจช้าก็อยู่กับนันอยู่กับบทเพียงช้า น, านาน <us> S <S เป็นเป็นทุกเวทนาเนี่ยเราก็ปรุงแต่งให้สําเร็จรูปว่าอ้าวฉันจะแก้ไขตัวเองให้ดีอย่างเนี้ยนะ <S <S คุณก็ปรุงแต่งนี่คือปรุงแต่งมาในทางมัคแต่ถ้าปรุงแต่งว่าฉันเก็บความแค้นนี้ไว้ฉันจะต้องตอบสนองคืนมันเป็นสิบเท่าอันนี้คุณปรุงแต่งมาในตามหน้าของตันหามันมันก็จะไม่ดี <S <S คือคุณจะปรุงแต่งไปในทางดีหรือไม่ดีก็ได้อ่ะเราจึงต้องเลือกเอาไอาการที่เราเลือกมาทางที่ถูกทางที่ ถูกต้องทางที่จะเกิดประโยชน์อันเนี้ยคือมาต่างทอตามมรคมาทางมรคใ<ะ>ช่ไหมจิตที่แบบแทนที่จะเลือกไปทางไม่ดีแต่รู้แล้วว่าเลือกมาทางดีนะั่นคือมีพุโทโธอยู่ในใจแล้วนิดนึงตรงนั้นอะ่คะค่ะอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะอืมคะ่ะนะคะแล้วอตอนนี้ก็ยังมีคําถามนะคะท่อาจารยโอะะใ้ใช่ใช่คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอควรแก่การทําความเข้าใจละโอเคต่อไปเป็นคําถามคุณจักรีอีกแล้วค่ะออื อันนี้คิดถึงปรุงแต่งแล้วค่าเนี่ยบอกว่าเมื่อจะตายความสงสารจะละความสงสารในมารดาบิดาและบุตรอย่างไกล อ, อันนี้เป็นการปรุงแต่งแน่นอนเป็นการคิดนึกปรุงแต่งแน่นอนนะที่เป็นไปนในทางที่ทําให้เกิดความไม่ประมาทแต่บนะุคคลที่คิดตรงเนี้คือเขาเขาจะมีความไม่ประมาทจะเป็นผู้ที่ไม่ต้องการร้อนใจในภายหลังแต่ต้องการร้อนใจตอนนี้เพนะราะว่า ร, รูนเราประสังการทั้งหลายมันไม่เที่ยงใช่ไหม พอสังกัดทั้งหลายไม่เทียงพระพุทธเจ้าบอกไม่ให้ประมาทแล้วฉันจะทำยังไงกันดีเนี่ยนะว่าถ้าเราจะตายแล้วเราจะตายแล้วสมมตินะแล้วบุตรมารดาภรรยาบิดาพวกนี้จ ะ, จะทำยังไงอย่างเงี้ยนะอันนี้จริงๆมีเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หลายเรื่องเลยเรื่องหนึ่งที่คิดว่าจะต ร, ตรงตรงนี้มากกับคำถามของุจ ก, กริดเนี่ยคือพระสูตรที่ชื่อว่าขิลายณะสูตรขิลายณะสูตรเป็นเรื่องที่เจ้ามหานามะ มาถามพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าคนป่วยเจ็บป่วยใกล้จะตายแล้วเนี่ย เ, เขาจะทําจิตอย่างไรคือถ้าเราเป็นอุบาสกผู้ฉลาดมีปัญญานะจะไปแนะนําอุบาสกอีกคนหนึ่งผู้ฉลาดมีปัญญาแต่เขาป่วยกันจะตายอยู่แล้วเนี่ยจะไปแนะนําเขาว่าอย่างไรกคำแนะนําตรงนี้เพื่อให้เกิดการปล่อยวางในเรื่องบุตรมารดาบิดาปรยาเนี่ยตรงนี้แหละคือประสูตรนี้ น, นี่มาในเล่มที่19 ข้อที่1627นะมาจะสรุปให้คร่าวๆให้ฟังนะคือมีอยู่สองสเตปมีอยู่สองสเตปสเตปแรกเนี่ยจะต้องทําให้เขามีรู้สึกถึงความเบาใจ4อย่างก่อนนะ่ะบุงคนใดใครก็ตามเนะี่ยคุณโยมติ๋วเขาจแบบปล่อยวางได้อะนะ <'Kay. S 1> จิตเขาจะต้องมีเครื่องทำให้มีที่ตั้งในความเบาใจ4อย่างก่อนรนะดับแรกนะคือคนที่ เขาจะต้องมีปัญญาเนี่ยเขาจะรู้เห็นมีพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่พึ่งนี่คือข้อที่1นะคือให้มีพุทโธเป็นที่พึ่งนะคือคื อ, อุบาสกคนแรกใช่ไหมมีปัญญาใช่ไหมจะไปบอกอุบาสกคนที่2ที่อุบาสกคนที่สองี่เขาก็มีปัญญาเหมือนกันนะแต่เขาป่วยจะตายอยู่แล้วเนี่ยอุบาสกคนแรกเนี่ยจะไปเตือนให้เขาคนที่2เนี่ยคือบางทีบางคนเจ็บป่วยใกล้จะตายมีเหตุการณ์นั่นนี่แล้วมันตกใจไปตกใจแล้วมันลืมตกใจแล้วเรียนทำไงคนแรกเนี่ยต้องไปคอยเตือนเขา เตือนเรื่องอะไร1คุณยังมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งนะ2คุณยังมีพระธรรมนะสคุณยังมีพระสงค์นะสอย่างคือพุทโทรธธรรมโมสังโฆเนี่ยคุณยังมีเป็นที่พึ่งนะมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมันไม่หวนไหวในพระพุทธประธรรมประสง์ น, นี่คือ3อย่างแรกในข้อที่สคือเรื่องของศีล น, นะให้เตือนสติว่าเอ้ยท่านมีศีล น, นะป่วยอยู่ขนาดเนี้ไม่ได้ไปทําผิดศีล น, นะมีศีลห้ายอยู่เต็มที่เต็มร้อมเลยจะไปกังวลใจอะไร คือหนึ่งสองสามสอย่างตรงนี้เขาเรียกว่าโสตาปฏิยังคะสีโสตาปฏิยังค <Okay. S 1> ะสีแต่โสตาปฏิยังคะสีเขแปล ว, ว่าธรรมะสอย่างที่ทําให้เป็นพูดถึงกระแสะโสตโสตาเนี่ยแปลว่ากร ะ, สะ <Okay. S 1> แสแต่ทําให้เป็นพูดถึงกระแสะกระแสะนี่ก็ อ, อะไรคือกระแสะที่จะไปสูนนป่นิพพานแต่บริษโสดาบันเนี่ยต้องมีคุณธรรมสีข้อ น, นี้ก็ <Okay. S 1> คือมีพูโ้โธธรรมโสมโกและก็ศีลก็คือมีศรัทธาในใน3อย่าง แล้วก็มีสีนั้นอย่างลงมั่นไม่ขาดไม่ทรูุไม่ด่าไม่ปร้อยนะพอมีสี่อย่างนี้แล้วอันนี้คือธรรมอันเป็นที่ตั้งในความเบาใจพอพอแบบบางทีลืมไปตกใจไปลืมไปอา่ามีเพื่อนมาเตือนว่าเฮ้ยพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่นะคําสอนของท่านยังมีอยู่นะผู้บิดาบิดีบิดาบิดาเ้าก็ยังมีอแล้วเธอก็มีสีแล้วเธอจะไปกลัวอะไรค่ะเออใช่อา่าถ้ามีความเบาใจสี่อย่างนี้ให้ถามเขาต่อไปนะพระพุทธเจ้าบอกเจ้ามาหานามะ ให้ถามคนที่ป่วยนั่นแหละว่าเอายังมีความห่วงใ ย, ยในมารดาปิดาอยู่หรือไม่ถ้าไอ้คนนั้นบอกว่าโอยังห่วงอยู่เลยพ่อแม่จะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะให้บอกกับเขาอย่างนี้บอกเขาอย่างนี้บอกว่าอา้าวถ้าพบว่าเราจะตายไปเราจะตายไปมารดาบิดาก็ยังต้องตายไปอยู่ดีแต่ให้เราไม่ตายไปมารดาบิดาก็ยังต้องตายไปอยู่ดีแล้วเราจะห่วงอะไรเอาใหม่นะอันนี้จริงๆถ้าจะพูดภาษาไทยก็หมายความอย่างนี้ว่า ่ถ้าเราจะเป็นห่วงมารดาบิดาก็ยังต้องไปตามกรรมคือตายไปอยู่ดีแต่ถ้าเราจะไม่ห่วงมาดาบิดาก็ยังต้องตายไปอยู่ดีเอามั้ยนะ <Okay. S 1> แล้วเราจะห่วงอะไร น, นี่คือลอจิกนะคือตรกกา <Okay. S 1> ที่เราต้องมาพิจรารณาสมมุติว่าเราจะห่วงท่านนะทั้งทั้งสี่อย่างเลยนะจะเป็นมารดา <Okay. S 1> บิดาบุตรภรยาถ้าเราจะห่วงบุคคลเหล่านี้เขาก็ต้องไปตามยะถากรรมอยู่ดีเราก็ต้องตายไปอยู่ดีต่อให้เราไม่ห่วง เขาเหล่านั้น diagram, ก็ต้องไปตามยิ่งถากมอยู่ดีเราก็ต้องตายไปอยู่ดีแล้วเราจะห่วงอะไรแต่เราพิจารณาคใครกลัวตรงเนี้ยเออแล้จะห่วงอะไรเราเราคือเราไม่ต้องห่วงเขาต่อให้เราห่วงเขาก็ตายต่อให้เราไม่ห่วงเขาก็ตายแล้วเราจะเอาห่วงไปทําไมเราไม่ควรเอาห่วงนี้ไว้นะก็ควรพระหักจิตควรพรากจิตท่านใช้คำนี้นะควรละความห่วงใยในมารดาบิดานั้นเสียนะควรล ะ, <c oughs> ะคาะวามห่วงใยในมารดาบิดาบุตรภรยา น ล, ละตรงนี้ให้ได้เพราะอะไรอาศัยต้องมีที่ตั้งก่อนนะขั้นตอนแรกคือมีโสรตาปติยังคสี่เป็นที่ตั้งนะขั้นตอนที่2คุณพิจารณาใคล้ควรตรงตากะตรงนี้ให้ใ ห, ให้ให้เข้มข้นเลยให้คล่องเลยเออใช่ถ้าฉันตายไปใช่ปะ่ะเขาก็ต้องไปตามกรรมฉันก็ต้องไปตามกรรมถ้าฉันไม่ห่วงหรือฉันห่วงเขาก็ต้องไปตามกรรมฉันก็ต้องไปตามกรรมเออแล้วฉันจะห่วงอะไรนะใกล้ควนเ ป, ปอย่างนี้ อันนี้จะเป็นเทคนิคในการที่เราจะให้ปล่อยวางคือคือพูดอย่างนี้บางทีคือคือถ้าเราพูดเฉยเฉยเนี่ยคุณยมติวราอาจจะเข้าใจด้วยตรรกะใช่จริงอยู่ได้อยู่แต่ถ้าบางทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเราจริงๆรงอะ่ะบางทีตรรกะนี่มันแบบไม่เวิร์กในสมองไงมันจีด๊ดไงมันจีดนจ๊ดอ่ะเ <c oughs> ช่นว่า <c oughs> ผัวตายไปหรือว่าคู่ครางตายไปหรือมานดาบิดาตายไปเนี่ยโดยที่เรายังไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยเราเราจะจี๊ดขึ้นมาทันที แต่นี่เป็นคนละกรณีกันคุณหยบเตี้ยนี่คือคือเคสที่อะไมาพูดถึงเนี่ยคือคนอื่นตายใช่ไหมเรายังไม่ตายนะเรายังดีสบายอยู่แต่ถ้าเราใกล้จะตายถ้าเราใกล้จะตายอินทรีย์ของเราเนี่ยจะมีความแก่กล้าขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีสตาในพระพุตรพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอินรีของคุณจะมีความแก่กล้าขึ้นมาไอ้ลอจิกที่เราพูดกันธรรมดาธรรมดาบางที่เราเคยประสบเหตุการณ์ที่ว่าฉันวางไม่ได้หรอกแล้วจริงๆจะจะวางได้ไหมแต่พอใกล้จะตายจริงๆริงเนี่ยอินซีคุณจะมีความแก่กล้าขึ้น คุณอาจจะเห็นตามที่เป็นจริงณนะจุดนั้นได้อันนี้มันจะเกิดขึ้นได้ <Okay. S 1> นะอันนี้คือไม่ใช่ว่าให้เราประมาทไปรอตอนที่เราใกล้จะตายนะแต่ไอ้ลอจิกตรรกะตรงที่ว่าเนี่ยกุณมมาค่อยๆปรึกษพิจารณาให้ดีทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งก่อนเนะเพื่อที่เวลาที่สิ่งนั้นมาถึงเราแล้วเนี่ยเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ค่ะ okay. ะะเพราะนั้นดิฉันไปขึ้นต้นตอนจะบอกคำถามของคุณจั ก, กริดว่านี่ปรุงแต่งหรือเปล่าคะถ้าถ้าจะไม่อธิบายนี่คุณจั ก, กริดอาจจะเสียความรู้สึกในตัวดิฉันไปเลยก็คงเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เป็นคำถามเป็นการปรุงแต่งไปในทางที่ไม่ประมาทใช่ใชแล้วก็ถามเผื่อคนอื่นที่เจอเหมือนกันแน่ๆ น, นะคะคือตายเข้าท่าดีนะคะคิดตามว่าเออถ้าสมมติเรารู้ตัวแน่ๆเลยว่าเราําลังจะตายในอีกไม่กี่ ช่วมงไม่กี่นาทีข้างหน้านี้แล้วแล้วเราได้ข้อแรกโสตาปฏิยัญคั้ีนี่ยังไงก็เป็นหลักประกันนะคะ<ช>ว่าเราไม่ตกต่ําอะไรมากมายไม่ตกต่าใช้คํานี้ดีกว่าถูกต้องนะคะเข้เขาว่าเกิดไม่เกินเจ็ดชาติใช่ไหมคะท่านการคือคือมันเป็นต้องเป็นเงื่อนไขกันตรงนี้ด้วยคือโสตาปฏิยัญขั้ีเป็นเหตุแล้วถ้าคุณสร้างผลของการที่ละเครื่องร้อยรัดคือสังโยตสามอย่างได้เอาไปก่อนนะ มีอะไรบ้างคะสั่งย่อสาอย่างคือมิจฉาทิฏฐิค่ะนะสีละพัตประมาทและวิจิกิจฉาสาอย่างนี้สมามาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิก็ความเห็นผิดว่าพระพุทธเจ้าไม่มีบาปกรรมไม่มียึด ต, ติดอะไรต่างๆพวกนี้นะคุณคุณละตรงนี้ได้ละสักกายทิฏฐิขอไปสักกายทิฏฐิละไปได้ในี่ข้อที่1ข้อที่สองคื อ, อเรื่องของสีละพัตตาประมาทคือการที่ปฏิบัติแบบรูปๆคลำ ทำก็แบบไม่ใช่ว่าจะเอาผลคือมรรคผลนิพพานหวังสิ่งนั้นสิ่งนี้นะไม่ได้เป็นไปตามเหตุผลของมันกราบไหว้บูชาอ้อนวอนพวกเนี้ยอันนี้ก็เรียกเป็นศิลปะตประมาศนะละได้นะเป็นผู้ที่มีความเหตุผลมีเชื่อเรื่องกรรมไม่ได้จะอ้อนวอนสิ่งต่างๆข้อที่3คือวิจิกิจารความเคลือบแคลงเห็นแย้งในประพุทธธรรมประสงค์ในมรรคในข้อปฏิบัตินะไม่มีความเคลือบแคลงเห็นแย้งในข้อนั้นมีความมั่นใจศรัทธาเต็มเปี่ยมชนิดที่ ไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวได้ก็เรียกเป็นอ จ, จะละสาสตาคือสตาที่อยังลงมันไม่หว่นไหวอพอละ3มอย่างนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นโสดาปฏิผลโสดาปฏิผลถึงจะมีการเกิดอย่างมากเจชาติมีการเกิดอย่างมากเจชาติแต่โสตาประเตียงแค่ีมีแต่ถ้ายังละเจ้าสังโยศสามไม่ได้คุณก็เป็นโซดาปฏิมักโสดาปฏิมัก โซดาปฏิมาคเนี่ยก็ยังไม่ใช่ว่าจะไปเกิดแค่เจเจชาตินะก็ยังไปเกิดอีกเยอะแยะอยู่ อ, อ๋อค่ะอ่ามันจะมีมีเหตุผลผลแยกกันอีกตรงนี้นิดหนึ่งค่ะแต่ก็ประกันว่าไม่ไปนรกเพราะงั้นเถอะอในชาติต่อไปนี่คุณไม่ไปนรกแน่นอนนะคะก็คือเนี่ยถ้ามีโสตาปฏิยงังคัตสีแล้วอ่าก็จะไม่ไปนรกแน่นอนใช่ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะได้แบบอ่าได้โสตาปฏิผล หรือว่าโสดาปฏิมักใช่ใช่ใช่ใช่ะคะช่ะและกา ร, <ๆ> ก, ารการวางที่บอกว่าห่วงก็ตายไม่ห่วงก็ตายเนี่ยดิฉันว่าเข้าท่านะคะคือคือเอ<ช>ขออนุญาตถ้าดีใช่ถ้าี่ฉันใช้คํานี้ได้ไหมคะที่ท่านได้สรุปเอา ว, ว่าห่วงก็ตายไม่ห่วงก็ตายเนี่ยจะขาดตกบกพร่องอะไรไหมเพราะมันจําง่ายสําหรับะจะเตือนสติได้ถูกต้องอันนี้นี้ก็รัดกลุ่มด้วยรัดกลุ่มด้วยนะคะเอเขาบอกว่าคุณพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลหรือแพทย์ ที่จะต้องอยู่ติดตัวคนไข้ได้มากกว่าคนอื่นอืถ้าหากว่าสามารถให้สติคนไข้ได้เนี่ยจะเป็นกุศลมากทั้งกับตัวผู้ที่กําลังจะเสียชีวิตเองแล้วก็ทั้งกับตัวของอบุคลากรดังกล่าวนั้นใช่กระท o n ไว้เลยดีไหมคะห่วงก็ะตายไม่ห่วงก็ตา ย, กตายเก็บใส่กระเป๋า <laughs> ไว้ <laughs> ดีดีดีเยี่ยมากนะคะค่ะอันนี้เป็นเทคนิคดิฉันเองเนี่ยก็บอกคนใกล้ตัวนะคะ บ, บอกว่า เราบอกคนอื่นนะว่าควรจะทํำยังไงแต่ว่าพอมาถึงตัวเองเนี่ยเอ๊เกิดตั้งสติไม่ได้อ่ะอืมจะบอกกับตัวเองอย่างไรท่องแค่ห่วงกระตายไม่ห่วงกะตายนี่ได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันนะเป็นคําที่เราจะตั้งสติของเราขึ้นได้แต่พอสติเกิดขึ้นแล้วเราไม่ไปยึดถือหวนไหวไปตามสิ่งที่มากระทบสามารถปล่อยวางได้นี่ถะสําสเร็จประโยชน์ทีเดียวค่ะวันนี้ได้หลายเรื่องเลยนะคะเรียน แล้วก็คุณจะกกิดนี้ได้บุญมากนะคะให้สติสุดท้ายที่มีประโยชน์มากกับผู้ที่จะตายจากคำถามของท่านท่านฟังถ้าอยากจะฟังแบบทบทวนทบทวนรายการของปีที่แล้วก็มีเนื้อหายเยอะแยะมากมายท่านไปบูร์ได้รวบรวมเอาไว้อย่างน่าสนใจแถมยังมีนิทานใช่ไหมคะท่านท่านใช่ไหมนิทานธรรมนิทานธรรมบทใช่ท่าน ติดต่อไปได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021266106เป็นเบอร์โทรศัพท์ของสถานีวิทยุครอบครัวข่าว021266106ดิฉันได้นำ mp3 ที่จะแจกให้เนี่ยไปวางไว้ที่นั่นเรียบร้อยแล้วก็ไปถามเขานะคะว่าทำอย่างไรท่านถึงจะได้เป็นเจ้าของวันนี้คงจะต้องลาท่านเทบูมะะบ น, นะคะเจ ร, ริบาลนะคะกราบนมักการขอบพระคุณมากเลยคะ่ะเจริบา ทัานสั่งที่ครบค่ะนี่คือรายการสังสนียสนทนานะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 กค่ะก็เป็นการสนทนากันในเรื่องของธรรมะชั้นสูงแต่คุยให้ง่ายเข้านะคะถ้าเกิดยังง่ายไม่เพียงพอท่านยังติดใจสงสัยท่านก็จะส่งคำถามตรงไปที่ท่านไพบู์ที่เพียวธรรมะด m ทคอมสได้เลยนะคะ p พ e ยวพยู com/ ขีดเส้นเอียงๆเนี่ยนะคะแล้วก็106พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสัปดาห์นี้ลากไปเพียงเท่านี้ค่ะพุณทัศสวัสดีค่ะ